ปัญญาปัญญาและการปฏิบัติที่ถูกต้องจะเจริญงอกงามเมื่อเราหมั่นคบหาบัณฑิตผู้คอยแนะนำผู้บริสุทธิ์ผู้มีปัญญาที่แจ้งชัดและมีความเมตตาผู้กู้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นหายากผู้ฟังยิ่งหายากกว่าแต่จะหายากยิ่งกว่านั้น คือผู้ที่นำคําพูดที่อาจฟังไม่สนะหูแต่มีประโยชน์นั้นไปปฏิบัติในทันทีดังนั้นจงเข้าใจไว้เถิดว่าแม้จะฟังไม่สนะหูแต่หากมันมีประโยช น, น์จงนำมันไปปฏิบัติโดยเร็วเช่นเดียวกับการกินยาขมจากแพทย์ผู้ชำนาญเพื่อรักษาโรคในทันที จงพิจารณาให้เข้าใจอยู่เสมอถึงความไม่เที่ยงของชีวิตสุขภาพและอำนาจซึ่งจะทำให้ท่านมีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการเพียรปฏิบัติเพียงอย่างเดียวจงเห็นว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนและเรากำลังตายอยู่ทุกวันคนเราจะเป็นทุกข์จากการกระทำที่ไม่ดีของตนเธอไม่ควรจะกระทาสิ่งที่ไม่ดี แม้ว่ามันจะทำให้เธอมีความพอใจเพียงชั่วคราวบางครั้งก็มองไม่เห็นความเลวร้ายแต่บางครั้งก็อาจเห็นหากมันบรรเทาใจให้เธอได้ครั้งหนึ่งแล้วทำไมจึงทิ้งความกลัวนั้นอีกในครั้งต่อๆไปการเสพของมึนเมาทำให้โลกดูถูกเหยียดหยามกิจการการงานของเธอจะพินาศทรัพสมบัติจะสูญเสีย และมักจะหลงกระทำในสิ่งไม่เหมาะสมเพราะความขาดสติดังนั้นจึงควรงดเว้นมันเสียการพนันทำให้เกิดความละโมกบความไม่พึงพอใจความเกลียดชังการหลอกลวงการคดโกงความรุนแรงโกหกพูดเพลอเจอ้อและหยาบคายดังนั้นจึงควรงดเว้นมันเสีย ปัญหาราคะในเพศตรงข้ามส่วนใหญ่เกิดเพราะความหลงผิดคิดว่าร่างกายนั้นเป็นของสะอาดแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ของสะอาดเลย